มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาตติยวัควิตักกะลักษณะปัญหาที่สิบสามถามว่า วิตกเมื่อบังเกิดขึ้นมีลักษณะอย่างไรราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิปดีมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษนผู้ประเสริฐวิตกโกอันว่าวิตกเมื่อบังเกิดกิงลักคโนมีลักษณะเป็นประการใดพระนาคเษนจึงวิสัชนาว่ามหาราชา ขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐวิตกเมื่อจะบังเกิดนั้นอัปณะลักขโนมีลักขณะสืบในอารมณ์สมเด็จพระเจ้ามิลินปินกษัตริย์ตรัสนิมนต์ให้พระนาคเสนกระทำอุปมาอุปไมไปพระนาคเสกนก็วิสัชนาแก้ไขด้วยอุปมาว่ามหาราชาขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารเปรียบานดุดช่างไม้ ย่อมกระทำไม้สืบต่อในที่ต่อให้เนื่องกันฉันใดวิตกนี้มีลักษณะสืบต่อเนื่องไปดุดช่างไม้สืบต่อตัวไม้กระทำให้แนบเนียนกันในที่ต่อนั้นจงทราบในพระราชสันดานด้วยประการดังนี้สมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินธราธิบดีก็ทรงพระสมนัตรัสว่ากัลโลสิสาทุสะ สมควรแล้ววิตากะลักณะปัญหาเป็นคำรบสิบสามจบเท่านี้